มีสมาร์ทโฟนเท่ากับมีอำนาจก่อกรรมใหญ่กรรมที่เขียนข้อความใดๆไปกระทบใจคนมีความใหญ่หลวงกว่าที่นึกสมัยก่อนคนโบราณต้องมีอำนาจหน้าที่หรือบารมีบางอย่างจึงมีสิทธิพูดเสียงดังให้ชุมชนจำนวนมากได้ยินพร้อมกันจะกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจในทางดี หรือปลุกระดมให้เกิดแรงกดดันในทางร้ายก็เป็นคมดีคมชั่วอย่างใหญ่ติดตัวเพิ่มพูนไปตามนั้นแต่สมัยนี้คุณไม่จำเป็นต้องมีหน้าที่หรือบารมีใดๆอย่างนั้นแค่มีมือถือสมาร์ทโฟนเครื่องเดียวก็ได้อำนาจก่อรมกกใหญ่เท่ากับหรือเหนือกว่าคนเสียงดังในสมัยโบราณมากแล้วคือถ้าคาดีๆหรือคำร้ายๆลอยมาดวนใจคุณ และคุณแพร่ต่อคำดีอาจเปลี่ยนคนจำนวนหนึ่งจากเจ้าคิดเจ้าแค้นเป็นปรานีมีเมตตาไม่อยากถือสาหาความใคร่มากส่วนคำร้ายอาจเปลี่ยนคนจำนวนหนึ่งจากที่เคยรู้จักอภัยกลายเป็นใครที่จ้องล้างจ้องผราญทวงนี่เวนกันไม่รู้จบรู้สิ้นได้ขอให้ลองนึกดูอาจคุณพูดเบาๆว่าไอ้โง่ ก็อา จ, จมีคุณคนเดียวในโลกที่ได้ยินเสียงอกุศลของตัวเองแต่ถ้าคุณพิมพ์คาว่าไองโง่ลงในมือถือคุณไม่มีทางปรับให้ดังหรือเบาได้ตามใจชอบได้เลยคุณทำอกุศลกรรมกับคนแบบไม่เลือกหน้าเขาแล้วคำด่านั้นอาจทำให้คนนับพันนับหมื่นเกิดความแสลงใจความแสลงใจของคนนับไม่ท้วนนั่นและ จะย้อนกลับมาก่อเหตุให้คุณแสลงใจยิ่งกว่าพวกเขาได้ไม่ต้องคิดถึงน้ำหนักกรรมก็ได้แต่ลองคิดถึงโลกที่คุณกำลังมีส่วนช่วยสร้างเป็นโลกที่มืดลงหรือสว่างกว่าที่ปรากฏอยู่เธอมองไม่เห็นชัดจะปรากฏการภายนอกก็อ่านให้ออกจากปรากฏการทางใจภายในดู เมื่อคิดพูดหรือคิดเขียนอย่างไรสว่างหรือมืดแค่ไหนใจคุณตอบตัวเองถูกอยู่แล้วหากจิตตั้งไว้ดีแล้วก็สบายตัวไปแต่หากจิตยังตั้งไว้ในมุมมืดอย่างนั้นก็คงน่าเป็นห่วงหน่อยนะครับ